พวกที่มาเข้าคอสยกมือให้หลวงพ่อดูหน้าหน่อยงตรงนั้นพรุ่งนี้หลวงพ่อเทรดวีดูคอนเฟร เทชันไม่มีเทศไปวัาพระธาตโคกแก้วเดิมขึ้นไปปีละครั้งสองครั้งหลังไม่ได้ไปแลไม่สบายเลยใช้เทคโนโลยีมาช่วยหน่อยตรวจจันบ้านให้เขาหน่อยตอนสม ที่แรกนะคุยกับอาจารย์สมชายกับพระวัดพระธาตุขดแก้วซ้อมกันเนีไม่มีปัญหานะสมูทมากเลยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเอาจริงเทศไปนขนแกะสัญญาณขาดตลอดเวลาเลยนะเทศปริยัติกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันเทศ ปริยัติเนี่ยมีโผล่อยู่สัญญาณขาดตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวประเทศต่อพประดูว่าขาดตอนไหนประเทศต่อได้เนื้อหาไม่ขาดจะเทศทางปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้ามีอะไรสะดุดนิดเดีย ว, ยวยธรรมะมันจะดับมันดับเลยหายไปหมดเลยธรรมะเราเริ่มต้นเนี่ยต้องเทศใหม่ งันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะหลวงพ่อเหนื่อยมากเลยใช้แรงเยอะมันเหมือนเราเทศสักห้าหกเจ็ดกันต่อันเมื่อก่อนไม่เข้าใจตรงนี้เคยเห็นเจนมหาบัวบรุ่นหลังเรียกหลวงตาท่านนั้นไปงานศพหลวงปู่ ด, ดุล เช่นมหาบัวท่านก็ขึ้นเทศตอนกลางคื น, นที่ศาลาพอท่านเริ่มเทศนะ่ะคนก็ลุกขึ้นมาถ่ายรูปท่านแป๊บแป๊บแป๊บท่านก็หยุดพอถ่ายเสร็จแล้วท่านก็เทศต่อคนละเรื่องเลยเพลินเรื่องไปเลยพอท่านเริ่มเทศก็ลุกขึ้นถ่ายอีกแล้ว ประคั้งที่สามเถูกด่าหลูงพ่อไม่ได้ถ่ายนะมันต้องบอกสก่อนใน <c oughs> ถูกท่านด่าว่าลบมากจะถ่ายไปถึงไหนเป็นเวลาฟังธรรมะไม่ใช่เวลาถ่ายรูปท่าน <c oughs> บอกธรรมะท่านเนี่ยดับไปสามกันแล้วงั้นเวลาถูกบาอาจารย์เทศนะ ท่านจะทำสมาธิขึ้นมาธรรมะเรื่องที่สมควรเทศเป็นเรื่องอะไรจะผุดขึ้นมาพอจิตของคนฟังเปลี่ยนธรรมะนั้นดับลุกขึ้นมาถ่ายรูปโครบความธรรมะก็ดับหมดงั้นเวลาหลวงพ่อเทศึงบอกว่าอย่าลุกขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ปิดมือถือด้วยเมื่อวานอาทิตย์ แทบจะตีคนในศาลามีอยู่คนหนึ่งแต่ไ ม, ไม่ไม่ประสงค์จะเอ่ยนามเขาโทรศัพท์ดังขึ้นมาอตอนหลวงพ่อกหลังเทศสัญญาณไม่ขาดตอนนี้แต่ถูกลบกวดเสียสมาธิเวลาเทศเนี่ยสมาธิจำเป็นนะเวลาฟังเทศสมาธิก็จำเป็น เทศภาคปริยัติกับปฏิบัติไม่เหมือนกันภาคปฏิบัติเนี่ยสมาธิสะดุดนิดเดียวธรรมะก็สะดุดเลยเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นจำเป็นเราต้องนั่งฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมเราถึงจะได้ฟังธรรมะที่ดีนะไม่งั้นเราจะได้ธรรมะที่ไม่ดีไม่ประนิด ไม่ใช่กแกล้งแต่คนไกลของจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆเมกไม่เข้าใจนะต่หลังถึงี้เข้าใจบางทีครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านก็ใจดี <c oughs> อย่างหลวงปู่สิบท่านขึ้นเทศแลวคนไปถ่ายรูปท่านท่านจะหยุดท่านถามว่าทำอะไรอ่ะถ่ายรูปครับถ้วถ่ายนิพพานได้ไหม ไม่ได้ครับก็ถ่ายต่อเอเอน้องปู่ก็ยิ้มโอ้คนมันยังโ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะให้เขาปล่อยเดี๋ยวทั้งเทศใหม่ถ้เราไม่ทำ ถามว่ามันมากวนปรูบาอาจารย์หรือเปล่ามันกวนคนข้างๆเงินโทรศัพดังขึ้นมานคนาข้างๆเราสติแตกหมดแล้วสมาธิตกทันทีเลยห ย, ยอกเลยครึ่งข้องเนี่ยสมาธิเสียเนี่ยความสมูทของธรรมะเนี่ยสะดุดละแอนที่บอกว่าเราไม่ควรสมาธินะไม่ควสมาธิ ช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ซะแต่พรุ่งนี้ประสบการณ์สอนแล้วมก า, มานะต้องปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราแย่งกันใช้ด้วยนะไม่งั้นสัญญาณที่ส่งไปพทาดกง รถต้องบอกสะทา้านกดแก้วด้วยทาน้นต้องปิดด้วยให้เราปิดห้างเดียวนะทางนู้นมันหลุดอ่ะเราไม่หลุดทางนู้นหลุดแต่นี่สารลนเขาจะไปลากสายเคเบิ้ลเข้ามาล้วก็เอาสายเคเบิลมาใช้เราอยากจะใช้อินเทอร์เนต็ตแเราก็ใช้ของเราไปคนละพวกกันล้วคราวนี้เราใช้เคเบิ้ลือ เวลาฟังธรรมะนะฟังด้วยสมาธิมีสมาธิวามสมงบรูรู้สบายรู้เนอรู้ตัวฟังไปมันแสดงธรรมมีแสดงเพ่งจสงสมาธิอยู่มื่อในขณะที่แสดงธรรมเนี่ยบางคนที่ยินสีแก่กล้าแล้วก็บรรู้ธรรมเพาะ้จะมีคนบนรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรม ผู้แสดงธรรมเองก็ทรงสมาธิในการแสดงธรรมอยู่เราะฉะ้นก็มีผู้แสดงธรรมบางคนบนรรลุธรรมในขณะแสดงธรรมหนะรือบรรลุพระอรหันต์ขณะแสดงธรรมก็มีไม่ใช่ไม่มีเพราะนั้นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาสําคัญนะไม่ใช่เวลาเล่นๆ เ, นะเวลาที่ตั้งใจฟังกระแสของธรรมะ เป็นพลังงานที่ละเอียดที่ประณีตถ่ายทอดผ่านใจของครูบาอาจารย์ไปสู่พวกเราใจของเราสงบสันติฟังธรรมะไปด้วยจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานกระแสธรรมมันจูนเข้ามาในใจเราใจเราจะรับธรรมะได้แต่ถ้าใจเราเหมือนวอกแวกวอกแวกนะเหมือนรับธรรมะไม่ได้ มันไม่เหมือนฟังเลคเชอร์ฟังเลคเชอร์นะจดจดจดไปเรื่อยๆเอาไปดูทีหลังก็ยังได้แต่ในขณะที่ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยคือนาทีทองนะของการปฏิบัติงั้นปฏิบัติไปในขณะที่ฟังเนี่ยรู้เนะื้อรู้ตัวไปสังเกตกายสังเกตใจสบายๆฟังธรรมะไปแล้วธรรมะมันจะประณีตมันจะพอดีกับใจของเรา แลว้วความศส์ของธรรมะก็คือใจของเราแต่ละคนนี้คุณภาพไม่เท่ากันแต่พอใจเรามีความสงบ ม, มีังมั่นเราจะได้รับกขอธรรมะราจะรู้สึกเหมือนครูบาอาจารย์รงใจสอนเราเรา ค, ความรู้ความเข้าใจตาชั้นตาม ท, าที่ไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์พูดธรรมะเดียวกันคนเข้าใจไม่เหมือนกัน แต่ถามว่าเข้าใจมันเข้าใจถ้าฟังเป็นถ้าฟังไม่เป็นก็ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปวิเพราะหาเหตุหาผลไปเรื่อยพวกนี้ไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจธรรมะหรือจะมาบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมเป็น ไ, ไ, ได้เนื่อเวลาที่เราฟังธรรมนะเราใช้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานรู้เนะื้อรู้ตัวสบายสบาย ได้ยินเสียงคำว่าสบายสบายไหมไม่ใช่รู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายอยนี้อันนี้ไม่สบายนะใจต้องสบายใจต้องผ่อนคลายใจต้องสงบแล้วกระแสธรรมะเนี่ยจะเข้ามาสู่ใจของเราเอง<น>เวลาไปฟังวิดีโอดูยูทู e ที่หลวงพ่อสอนก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะหลวงพ่อสอนด้วยสมาธิ ถ้าเรามีสมาธิเราจะเข้าใจธรรมะง่ายขึ้นดังนั้นสังเกตตัวเองไปสิ่งที่ผิดมีสองอย่างเท่านั้นไม่ตึงไปก็หย่อนไปหย่อนไปก็คือใจลอยไปตึงไปก็คือเคร่งเครียดเหมือนอโนี่หนูที่ใส่แว่นเนี้ยตึงไปเดี๋ยวจะเท่าส่งกันบ้านแนละอย่างเนี้ยรับรอง ฟังจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้โซดานะไม่ได้หรอได้โรคประสาทแทน น, า น, า น, นี่เครียดนานๆนี้เครียดดัง้นเราฟังด้วยใจที่รู้ตื่นเบิกบานนะใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองแต่ว่ามีมีสมาธิในการฟังหัวเราอก็ได้หัวเราอแบบมีสติหัวเราอแบบไม่มีสติมันเป็นอาการของทาโรคหัวร้รักไม่มีสติ นักปฏิบัติหัวเราะก็ได้หัวเราะแบบมีสติรู้เนื้อรู้ตัวหัวเราะไปอย่งหลวงพ่ออยู่คนเดียวหลงพ่อไม่หัวเราะหลวงพอยิ้มแต่จะยิ้มเป็นระยะระยะนะนั่งๆ่งอยู่ก็ยิ้มนั่งน่งอยู่ก็ยิ้มมีสิ่งที่มากระทบทําให้เรายิ้มขึม้นมาเราก็ยิ้มไปอย่างเงี้ยแตเวลาอยู่กับพวกเราบางทีหลวงพ่อหัวเราะด้วยเวลาใจของเราขมวดเงี้ย yeah. หลพ่อต้องพยายามกระตุ้นให้เราหลูดออกมาจากในที่เราเพ่งอยู่บวงทีเล่านิทานตลกชวนให้หัวเราะถ้าเราพูดเรื่องชวนหัวเราะนะแต่หน้าเราเครียดมีเรื่องคําคันจะเล่าให้ฟังหมามยังไม่หัวเราะเลย ะ, ะแต่ว่าต้องหัวเราะด้วยหัวเราะนําซะหน่อยนะสบายใจ พ่อป่วยก็ดีแลกนะหลพ่อผงอผมไม่มาตรวจการบ้านเราตอนนี้แล้่นอนคลายหลวงพ่อลวงพ่อเริ่มตรวจกันบ้า น, นความรู้สึกของเราจะไม่เหมือนตอนนี้รู้สึกไหมงั้นระหว่างฟังธทรรมนะเกิดตอนส่งกันบ้า น, นจิตเราไม่เหมือนกัน เป็นกลุ่มๆเหมือนปลาไปเป็นฝูงนะลองไปคิดนะเนี่ยรู้สึกตัวไปไม่มีใครสอนกรรมฐานเราได้หรอกนะรูปนามสอนเราเขาจะแสดงใตรลักให้เราดูนี่ที่ครูบาอาจารย์เทศน์ใัปนะเพื่อให้จิตของเราฉลาดรู้จักดูความเป็นจริงของรูปของนาม ไม่มีกําลังจะดูจิตจะดูกายไม่มีกําลังจะดูกายด้วยดูจิตก็ดูไม่ได้ด้วยทําสมถะครูบาอาจารย์ไม่มีบอกว่าเลิกทําไม่มีคําว่าเลิกทำถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตจิตไม่ได้ดูกายจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะสมถะทําไม่เป็นก็พุทโธพุทโธไปนั้นก็สมถะแล้ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปสะพรืใจที่สบายไม่ใช่พุโทโธแบบเคร่งเครียดนะพุทโธโธพุธโทพธโธสงบสักทีพุโทโธพุธโทโธอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกใช่ถ้ามีความสุขความสงบนี้จะเกิดขึ้นงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่มีเวน้นวรรคดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกาย <c oughs> ดูกายหายใจออกหายใจเข้าดูกายยืนเดินนั่งนอนดูกายเคลื่อนไหวดูกายหยุดนิ่งดูกายก็ไม่รู้เรื่องก็ทําสมถะหายใจไปพูดโทไปนะหรือเดินจงกรมไปรู้สึกร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายเดินใจเป็นคนดูอันนี้ยังเป็นสมถะอยู่นะยังไม่ขึ้นมิปัสนามิปัสนาต้องเห็นรูปนามเกิดดับ อย่างนี้เราเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูสบายๆเราอยู่ในอารมณ์มันเดียวอารมณ์คือรูปที่เดินเราใช้รูปที่เดินเป็นอารมณ์หรือเรานั่งอยู่เราเห็นร่างกายหายใจตัวนี้เป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสนาตัวที่เป็นวิปัสนาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเห็นตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรือเป็นตัวไม่เที่ยงเป็นตัวเป็นทุกข์อย่นี้ย่านั้นถึงจะใช้ได้เงี้ยถ้าเราดู กายดูใจนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะสมถะเช่นหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนี่เป็นสมถะพุโทโธไปรู้สึกตัวไปพุโทโธไปรู้สึกตัวไปนะพุโทโธพุทโธใจเล่าร้อนรู้ว่าใจเล่าร้อนพุโทโธพุทโธนะใจสงบรู้ว่าใจสงบพุโทโธไปอย่างนี้นค่อยๆฝึกไปเรื่อย ใจมันได้พักผ่อนมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันได้พักผ่อนนะพอมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขแล้วสมาธิจะเกิดพอมีสมาธิจิตก็มีแรงจิตมีรมน่ไม่ม่การหยุดนะพัเัตอนดึ อ, อ, อ, อ, อนดอนกนกตอนดึตอนดึกตอนดึนดึกนตะอนดึกตดกกตดึกดึดกดกกตอตอนดึกอนดึกตอนกอนดึนนดึกตอนดึกตนดอนตอนดึกอนตนอนนนกน มีสองเวลาที่ยกเว้นเวลาแรกคือเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดไม่ใช่เวลาปฏิบัติเวลาที่สองคือเวลาหลับไม่ใช่เวลาปฏิบัตินอกานั้นไม่ใช่เวลาที่จ ะ, ะเลถลายอะไรในะนอกากนั้นคือเวลาปฏิบัติถ้าทำอย่างหลวงพ่อบอกได้นะมากคนนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกรู้สึกตัวไปดูกายดูใจเขาทางานไปทั้งวันไม่โลภนะ ถ้าดูเราก็โลกอยู่ทั้งวันสติไม่เกิดเพราะโลภะเกิดถ้าสติเกิดไม่มีโลภะงั้นเราอยากให้สงบเราหายใจไปพุทโธไปใจเราอยากสงบรู้ว่าอยากสงบไม่มีโลภะใจก็สงบเองใจสงบเองเข้าฐานสบายพอสบายแล้วเมือ่อจะเห็นใจเมื่อกี้ไม่สบายใจตอนนี้สบาย ก็ S <S <an> เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจพอเรารู้ทันว่าใจมีความสบายความสบายก็เริ่มลดระดับลงไปแค่เป็นอุเบกขาจากความสุขทีแรกนั่งสมาธิมีความสุขพอรู้ว่ามีความสุขนะความสุขก็ลดลงมาใช่เราเป็นอุเบกขาเราเห็นนี่ความสุขก็ไม่เที่ยงนะเกิดเราดับไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าเราจเจริญปัญญาละแต่ว่ายากก็ยากนะแต่ว่าง่ายก็ง่าย ยากสำหรับคนที่ไม่รู้ทางไม่ยากเลยสำหรับคนที่รู้ทางลแล้วก็นค น, าานที่รู้ใจเนี่ยเราให้ใจแลีลแล่่เราเใจเราใจเรให้ใจเราเราคือรู้สึกไปรู้กา ย, าายใจใจไปใจไปรู้รู้รู้รู้รใจหนีทีร่รู้ทันว่าใจหนีไปลนเนี่ยปฏิบัตินะรู้กายรู้ใจรู้เข้าไป มีอะไรให้รู้ก็รู้วันนั้นแหละสบายๆ ส, สุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันจะเห็นเลยอย่างเราคอยดูจิตแจขงเราได้เรยเราก็เห็นเนื้อจิตใจก็สุขเน้อจิตใจก็ทก <c oughs> เนี่ยจิตใจก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยสุด้ ป, ปัญญามันก็เกิดทุกข์ทุกขยเฉยๆไม่เที่ยงเหมือนกันทุกอย่างเกิดระดับปั ใ, ใจที่หิวความสุขมันก็ไม่เกิดใจที่เกลียดความทุกข์มันก็ไม่เกิด แจมเป็นอุเบกขาขึ้นมาเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับเสมอกันหมดสุขทุกข์ก็เสมอันดีกับชั่วก็เสมอันเพราะเกิดแล้วดับเหมือนกันพอใจมีปัญญาแล้วก็เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาตนวนี้ตัวนี้เป็นประตูของอริยมรรตปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารูเ้เป่ขายานยานคือปัญญามีปัญญาเลยเป็นอุเบกขา ต่อความปรุงแต่งของใจรู้ทันแต่งต่ความปรุงแต่งของความปรุงแต่งนั่นแหละทั้งรูปประจําทั้งนามธรรมนะแต่ถ้าเราดูใจก็เห็นใจความปรุงแต่งของใจือดูรูปอยู่แล้วเห็นรูปนี้ก็คือความปรุงแต่งนันนั้นรูปก็เป็นความปรุงแต่งใจเราก็เป็นความปรุงแต่งตัวอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยพอเท่าเทียมนะใจไม่ดิ้นใจหยุด ใจหยุดไม่ดิ้นรนมาที่ที่กรณีที่จะเกิดขึ้นจิตจะเข้าฌานเข้าฌานอัตโนมัติถ้าบุญบารมีพอเนี้ยจิตจะไปเดินปัญญาอยู่สองขณะสามขณะในฌานปัญญาขั้นเนี้ยเป็นปัญญาแบบคล้อยตามความจริงคล้อยตามสัจจะไม่ใช่ปัญญาสงสัยในความจริงไม่สงสัยคล้อยตาม เห็นสภาวะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับใจไม่ดิน้นใจยอมรับความจริงสิ่งทั้งหลเกิดแล้วก็ดับใจมันจะไม่ดิ้นต่อเลยคนเห็นสองทีบางคนเห็นสามทีนะเห็นแล้วใจมันเข้าใจครม่เข้าใจความจริงของโลกนะใจก็วางโลกนะใจก็วางโลกทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้มันจะวางปั๊บตรงไปมันถอยเข้ามาทวนเข้ามา แต่ว่าารู้อยู่ตรงไหนของร่างกายไม่มีที่ตั้งนะไม่ใช่มิติทางวัตถุเนี่ยมีที่ตั้งอยู่จ ม, มกูกอยู่หน้าอกอยู่อะไรเงี้ไม่มีมันเป็นความรู้สึกที่ทวนเข้ามาตัวที่มันวางความอารมณ์ภายนอกนะวางอารมณ์ที่เกิดดับตัวเนี้ยมันหลุดจากโลกแล้วไม่ใช่โล ก, กิยะตัวที่มันทวนกระแสเข้ามายังไม่ถึง่าตรู้เนี่ยยังไม่ใช่โลกุตระ เป็นช่วงลอยต่อไม่ เ, เหมือนเรานั่งเรือไปจะถึงฝั่งเรากระโดดจากเรือขึ้นฝั่งตอนที่เราลอยตัวเท้าหนึ่งก็ไม่เหยียบเรือเท้าหนึ่งไม่เหยียบฝั่งอนะไรเนี่ยช่วงกระโดดขึ้นฝั่งเนี้ยช่วงแว บ, บเดียวตรงนี้นี่คือช่วงลอยต่อจิตมันจะผ่านลอยต่อตรงนี้นิดเดียวถัดจากนั้นอริยามรรคจะเกิดขึ้นอริยามรรคเี่ยวทำลาย อาสวะกิเลสนะที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะแหวกอาสวะออกไปแ ล, ล้วจิตก็ถึงเข้าถึงความว่างความสว่างสวัยหนึ่งอะโรโปัตาที่แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแ ล, ล้วจิตที่วางวางท่านก็เกิดโสมนัติเพราะฉะนันประกอบด้วยอุเบกขาบ้างประกอบด้วยความสุขบ้าง บางคนก็จิตยิ้มให้เห็นบางคนจิตไม่ได้ยิ้มให้เห็นแต่ว่าพอผ่านกระบวนการนะไปดูสิจิตมันจะยิ้มอยู่มันไม่เหมือนจิตมนุษย์ธรรมดายี่อยู่ช่วงหนึ่งโศดาสกตาคาอนาคากระทั่งจิตพระหัตถ์นะมันจะเบิกบานอยู่ช่วงหนึ่งครูบาอาจารย์เคยเล่าว่าจิตท่านเบิกบานอยู่ปีกว่าๆประมาณปีหนึ่งเสร็จแล้วก็เป็นอุเบกขา นีจิตมันก็หมุนเวียนเปลีป่ยนแปลง น, นะค่อยๆพ้นเป็น ล, ลําดับลําดับไปเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะปัญญารู้ความจริงความจริงเบื้องต้นคือกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราความจริงเบื้องกลางก็คือกายนี้คือตัวทุกข์ความจริงเบื้องปลายคือใจนี้คือตัวทุกข์นะแล้วเข้าใจความจริงสามระดับนี้แล้วจิตก็ว า, างทั้งรูปทั้งนาม วางยองไม่มีใครสั่งให้หวางได้ธรรมะอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนนะไม่ใช่ไม่สอนพาะหลวงพ่อเ็าเรียนมาจากครูบาอาจารย์แต่ท่านสอนคนที่ตั้งใจภาวนาจริงๆเราทำไปถึงจุดที่ควรสอนแล้วท่านก็สอนใหน้นี่หลวงพ่อเอามาเล่าในวงกว้างบางคนเขาก็บอกว่ามันเยอะไปนะ ยุคแรกเนี่ยครูบาจารย์ไม่เชื่อเลยว่าหลวงพ่อจะสอนแล้วพวกเราจะดีเพราะว่าท่านประเมินคาวาสเนี่ยค่อนข้างต่าอันนี้คำสุภาพนะค่อนข้างต่าเนี่ยเป็นคำสุภาพนะนี่แท้คือเกิดคำพูดพูดไม่ออกนะท่านเคยบอกหลวงพ่อด้วยพระองค์อะ่ะ บอกว่าไปสรารทําไมะยากเกินไปสอนคลราวาดนะให้มันทําทานถือศีลแทําแค่นั้นน่ะทําให้ได้เหอะหลวงพ่อก็ค ร, ครับครับท่านว่าอะไรเราก็ครับไว้ก่อนถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคารวะภาวานาจนพระกลัวเลยตั้งแต่เป็นคารวะเรารู้ว่าคารวะเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมะที่ประณีตนะ คราวาที่อินทรีแก่กล้าก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถ้าเขาไม่มีโอกาสได้ฟังเลยเรื่องขันห้ายตนะหกเรื่องทนะ่าสิบแปดเรื่องอินทรียีบสองเรื่องปฏิจจารสมุปปาบาทอนะไรเรื่องรูปเรื่องนามไม่เคยได้ยินเลยเรื่องไตรลักษณ์ไม่เคยได้ยินเลยโอกาสที่เขาจะพัฒนาไปสู่ธรรมะที่สูงสูงขึ้นไปเนะี่ยมันไ ม, มนะ่มีเสียโอกาส เรื่ที่หลวงพ่ อ, อามาสอนเนี่ย <c oughs> เป็นไปตามคำมารัฒนาของอาณาเาพินธิกาเศรษฐีนะ <c oughs> อนนาณาเทพินธิกา <c oughs> ได้โสดา <c oughs> แล้วทุกวันก็มาที่วัดเชตวัน <c oughs> มาแล้วมาคอยดูอะไรไม่เรียบร้อยจะได้ซ่อม วัดเนี่ยมีเรื่องให้ซ่อมเยอะแยะเลยไม่เชื่อถามประสานดูทาช่างต้อมดูมีของน้องซ่อมได้ๆยหรือมาดูถ้าเป็นอุอบาสิกานางวิสาขาจะเคยดูป่าเจ็บไข้ได้ป่วยไหมอย่างเงี้ยผู้ชายชอบดูสิ่งปลูกสร้างอย่างเงี้ยนางวิสาขาอยดูแลปล่า <c oughs> เวลาสงสัยธรรมะไม่กล้าถามพระพุทธเจ้าเกรงใจ ท่านสอนคนอื่แล้วให้ให้โอกาสถ้าให้เขาฟังอะไรเงี้ยงั้นนาะถ้าปินิกาเนี่ยไม่เคยฟังธรรมะชั้นสูงเลยในขณะที่คนที่มาฟังนะได้ธรรมะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนใกล้จะตายไม่สบายมากนะให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยนะเกรงใจพระพุทธเจ้านิมนต์พระสารีบุตรมาสารีบุตรเทศเรื่องขันท่าให้ฟัง ท่านงแล้วท่านร้องไห้ท่านบอกว่าตอนที่ผมแข็งแรงทำไมไม่เชอร่องนี้ให้ฟังตอบว่าควยทงพเป็นนักีบุตรงงา่อ เ, เรื่องนี้เอเขไม่ฟังเธอมัวแต่จะซ่อมวาด้นะวยใจ้วใยใจน้นาดีดขอบอกว่าต่อไปนี้นะขอให้ตานี่แสดงครราบัที่สันีิษให้ย ที่บ้านหลวงพาอสอนอะไรพี่เลื่อพี่ล่าง ไม่มีใครทำให้เกิดได้เพราะฉะนั้นเราได้ยินได้ทำธรรมะที่สนิทลึกซึ้งนานห น, า, หนาที่ขงเราตอนดีอย่าให้เียโอกาสอย่าให้เยัเกิดอย่าให้ตอนแก่ใกล้จะตายนะหรือบางคนใกล้จะตายโดยยังไม่ทันจะแกะ่จนะามาัะเสียใจทีหลังว่ารู้อย่างนี้ปฏิบัติซะตามที่หลวงพ่อบอกตั้งนานแล้ว เสียใจทีหลังไม่มีประโยชน์อะไรอย่าให้ต้องเสียใจทีหลังลงมือปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลงมือวันนี้นะลงมือตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกกายรู้สึกใจของเราไปไม่อย่างนั้นถือว่าประมาทบางคนบอกตังแล้วเดี๋ยวกลับบ้านจะไปทานี่ประมาทก็บางคนไม่ถึงบ้านชีวิตนี้ไม่แน่นอน หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวหายใจออกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยมีใจเป็นคนดูอย่าไปจ้องใส่คนดูจะไปจ้องใส่ตัวผู้รู้นะก็ผิดอีกแล้ แค่รู้สึกว่ามันถูกรู้อยู่มันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่นี่างนี้ใช้ได้ดูไปเรื่อยแล้วต่อไปปัญญามันเกิดมันจะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราบางคนใช้เวลาเจ็ดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีนะก็จะเห็นเจ็ดวันมีไหมมีมวันเดียวยังมีเลยหรือว่าแต่เจ็ดวันเลย ต่อไปส่งกันบ้านสังเกตไหมใจของเราขณะนี้เป็นยังไงสังเกตไหมใจของเรากําลังเปลี่ยนรู้สึกไหมพอถึงช่วงฟังธรรมใจเป็นอย่างหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าส่งกันบ้านใจของเราก็เปลี่ยนดูออกไหมเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันก็ดูอย่างนี้แหละเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะของง่ายๆหลวงพ่อพูดให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อแกล้งคนที่เตรียมส่งกันบ้าน มันเป็นความสะใจลึกๆค่ะค่ะกลาบำบัสกา ร, สสกราของพ่อค่ะเครียดไหมก็นิดนึงค่ะอยากให้มากกว่านี้ไหมตอนนี้มันน้อยถ้าอยากให้มากนะส่งไปให้คนสุดท้ายแล้วเราเป็นคนส่งกันบ้านคนสุดท้ายอีนี้โอ้ยเครียดนานค่ะจากที่ดูจิตที่ไหลไปนะคะ คือเวลาที่เราไปดูจิตที่ไหลไปแล้วรู้สึกว่าอ่าจะลืมกายอะค่ะเราก็เลยอยากจะขอแนะนําจากคําแนะนําจากเราก็รู้สึกกายได้ก็รู้สึกกายรู้สึกกายได้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยมันพอเวลาเราไปรู้จิตที่ไหลไปแล้วเราลืมกายอะค่ะอ๋อลืมกายค่ะลืมกายก็ปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเราดูจิตเราใช้จิตเป็นอารมณ์ ธรรมชาติของจิตแนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอเราไปเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นมันลืมกายอยู่แล้วทุกคนแล้วจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวในที่หลวงพ่อบอกว่าตอนที่เราไปดูทีวีนะตอนที่ตาดูหูก็ไม่ได้ฟังนะตอนที่หูฟังตาก็ไม่ได้ดูตอนที่ใจคิดเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังจิตมันทางานได้ครั้งละอย่างเดียวะในตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหม เพราะฉะนั้จิตไปคิดแล้วก็ลืมกายลืมใจเพราะอะไรเราไม่เห็นว่าจิตกําลังคิดถ้าเราเห็นว่าจิตกําลังคิดเนี่ยเรียกว่าเรารู้ทันจิตอยู่นะอย่างนั้นเรียกว่าเรายังปฏิบัติอยู่แต่หลงไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเวลาเราหลงไปคิดเนี่ยมีกายก็ลืมกายมีใจ ก, ก็ลืมใจงั้นหลงคิดนี่นะศัตรูเบอร์หนึ่งคือจิตหลงไปลืมตัวเองเราจะรู้ตัวเองก็นั่งเพ่งนี่ศัตรูเบอร์สองเพ่งไว้ นะงั้นที่ผิดมีสองตัวเองเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะถ้าใจลอยไปผิดละหนีไปละเรารู้ทันใจก็จะตื่นขึ้นมาชัวา่วขณะเดี๋ยวลอยใหม่รู้ใหม่ลอยใหม่รู้ใหม่นะจนชํานาญใจเคลื่อนคลิกเดี่ยวมันรู้เองเลยนะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไปฝึกไปพวกอยู่วัดจะส่งอะไรบ้างก็ส่งสะนะเพราะพรุ่งนี้ไม่ได้ส่งน พร่งนี้ต้องให้ควรเชียงรายส่งอตอนที่บอกว่าให้ดูตอนส่งกันบ้านแล้วหนูเห็นจิตมันแบบกระเพื่อมอะค่ะก็หนูกระเพื่ อ, อยู่สักพักนึงเราบังคับมันไม่ได้ดูออกไหมมันเป็นเองตรงที่เราเห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันเป็นเองเนี่ยเรียกเห็นอ น, นัตตานะนั่นแหละเรียก ว, ว่าการปฏิบัติแล้วงั้นตอนที่ฟังทำจิตเป็นอย่างหนึ่งตอนจะส่งกันบ้า น, านจิตเป็นอย่างหนึ่งจิตเปลี่ยนไปเรื่อย แล้วเราก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆทั้งวันคอยรู้ไปะจะเห็นจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เที่ยงะจิตบังคับไม่ได้เป็นนัส ต, ตาก็ที่ผ่านมาค่ะรายงานการปฏิบัติอะค่ะเออเห็นโทสะเยอะอะค่ะแล้วก็เห็นมานาอัตตาค่ะมันจะมีเทียบเขาเทียบเราแล้วเราบางครั้งเราก็เหนือกว่าบางครั้งเราก็ด้อยกว่าอื แล้วก็เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะค่ะเวลาเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันจะมีตัวแน่นๆอือยู่ตรงกลางะะอ่ะค่ะอืแล้วกเว็เวลาที่เวทนาเยอะๆมันจะมีมันจะมีอะไรพุ่งขึ้นมาตรงกลางอะค่ะถูกแล้วที่จริงไม่ต้องเวทนาเยอะๆหรอกจิตแค่ทบทรมมันทํางานเลยเดี๋ยวอะไรก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผุดขึ้นมานะแค่รู้ ดูไปได้่อยๆเราจะรู้ว่ามันทํางานได้เองมันสุขเองมันทุกข์เองมันดีเองมันช่วยเองะมันผุ ด, ผ, ดผุดขึ้นมาด้วยอย่างนั้นเละดีเห็นไหมเวลา ย, ยึดถือความคิดเห็นแล้วทุกข์แน่นบิดานะแล้วบาง<ช>คนมันยึดมากมันก็ทุกข์มากนะอย่างยึดว่าจะกราบดีหรือจะคานับดีอะไรอย่างนี้โอลสิรินะ <c oughs> ถ้าภาวนาเป็นจะรู้ว่าทุกข์ทั้งนั้นเลยยึดแต่ความคิดความเห็นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนค่คอยรู้สภาวะนะถอจะได้ของดีถามอีกอย่างได้ไหมคะคือหนูนั่งสมาธิแล้วมันไม่เพ่งมันก็หลับอะคะ่ะเลยต้องลุกมาเดินจงกรมแต่ว่าจริงๆหนูก็อยากนั่งสมาธิอะค่ะ <c oughs> ก็ไปเดินซะ <c oughs> นะถึงเวลานอนก็ไปนอน ถึงเวลาปฏิบัติไม่ใช่เวลาหลับถ้ามันจะหลับก็ลุกขึ้นเดิน <c oughs> ตื่นเต้นค่ะธรรมดาก็ใครคยอยู่หลวงพ่อก็ตื่นเต้นทุกคนเลยแต่ตอนนี้เบาลงแล้วคะ่ะเอ่อปกติปฏิบัติเนี่ยก็คือตามดูอารมณ์ที่เวลาทำงานนะคะ มีโกรธโมโหค่ะแล้วก็ดูจิตที่มันหลงไปคิดอะคะอ่ะหนูต้องดูแบบสบายกว่านี้นะนี่มันดูแบบเพี้ยมเกลี่อไปดูแบบเอาจริงเอาจังไปนั้นเราดูสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นนะไปสังเกตไปอย่าให้มันตึงเครียดตอนที่ดูาบางคนปึงกรรมฐานนะเครียด เครียดมากๆากเลยจะทาอะไรทุกอย่างนะเกร็งไปหมดเลยอย่างนั้นไม่ดีใช้ใจธรรมดาเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจใช้ใจธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาธรรมดาของกายของใจดูที่มันธรรมดามันเป็นไงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไปดูสิ่งเหล่านี้ไปทําอีกไปเอาหนูเพ่งแร ง, แรงไป แขงแรงใช่ไหมคะมันยังกับพวกที่ปึปไดให้ดูท้องอ่ะเหมือนเหมือนพวกอย่างนั้นแหละอย่าเครียดเอาสบายกว่านี้ <c oughs> ครับเมื่อวานจิตออกนอกครับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็ออก <c oughs> <c oughs> กำลังออกอยู่เนี่ยครับเสร็จแล้วเมื่อเช้าก็จิตฟุง้งฟุ้งก็ คอยรู้ทันครับ<ด>พ<อ>ี่สังเกตไหมเราห้ามไม่ได้ถ้าเราพยายามห้ามจะ อ, อึดัด น, นะจิตเนี่ยถ้าเราเข้าไปแทรกแซงเมื่อไหร่เครียดทันทีเลยเจออึดัดงั้นเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปแทรกแซงฟุงฟ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านพุทธเจ้าสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านจบแล้ไม่มีนะพิสูจทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านแล้วรีบล่าเสียไม่มีพิสูจทั้งหลายห้ามฟุ้งซ่าน ไม่มีอย่างนี้รู้อย่างที่เขาเป็นไปฉลาดอยู่จิตมีปัญญาเยอะนะเราส่วนหนูเนี่ยจิตมันปิดสมาธิเยอะไปปัญญาเยอะมันจะทำให้ฟุ้งซ่าน ง, ง่ายสมาธิเยอะเสื่อมซึมเดี๋ยวไปรับเวลาต่อไปใครจำเป็นขอจำเป็นนะ เบอร์ยิบสองเวอร์สิบหกเวอร์เจ็ดเวอร์สี่เวอร์สิบห้าเบอร์สิบสองเบอร์ห้าอัตตานิกร <c oughs> เอร์ยี่สิบสองแ้วไงวิชัยเอ่อวันนั้นเห็นเกิดดับเกิดดับเป็นสายสายเหมือนมั น, มนเป็น แม่น้ําที่ไหลไม่ใช่ไม่มีหยุดเลยเนาะครับเกิดดับซึมเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็คืนนั้นนอนมันจิตมันตื่นสว่างมันมีแสงออกมาแต่อาจจะเป็นโคลเป็นโครแล้วมันก็ถามไอ้ใครวะนั่นแหละตัวเราสักพักมันก็ย้อนกลับเข้ามาแล้วมันก็เห็นว่าจิตก็อุทานไม่มีตัวตนอืมแต่ว่ามันรู้สึกมันยังไม่ได้ตัดแต่ว่ามันรู้สึกมันมีควาสุขเล็ก ปัญญาปัญญามันเกิดเวลาปัญญาเกิดมีความสุขนะประมาณไม่เกินเจ็ดวันจะมันสุกลึกๆแล้วมันก็ยิ้มยิ้มเออมันชะยิ้ ม, มยิ้มอย่าตอนนี้ก็เห็นแต่เกิดจับสังสเกตไหมว่าความเป็นเรายังอยู่ไหมความเป็นเราเนี่ยเวลาจงใจไปดูก็ไม่เห็นนะอา่าต้าดูทีเพลอ่ค่อยๆสังเกตเอ่นนะมันก็รู้สึกว่ามันสะสมไปเรื่อยๆครับใช่ มันสะสมปัญญานะสะสมความรู้ถูกความเข้าใจตัวปัญญามันมีได้เพราะสมาธิมันมากขึ้นสติมันดีขึ้นเห็นสภาวะได้ตอนนี้หลับอยู่เห็นจิตมันรวมอาบ่อยบ่อยแล้วก็หลับในรู้เนื้รู้ตัวหมดไม่ห้ามนะมันฟื้นเลยเมื่อคืนตอนเช้าที่จะมาฝันว่าไปบวชแล้วก็เดินเข้าไปในที่มืดแต่มันกลัวแต่มันก็เดินนะแล้วมันก็ท่องอีดิพิโซไปด้วยเออดีอย่างน้อย ผีจะหลอกในฟันผีก็ต้องคิดหนะักแต่จิตมันแก้วกล้ามากเลยครมันเดินแบบคนเดียวแล้วมันมันไม่หวั่นไหวอะมันก็เดินออกมันไปฟ อ, อีไปข อ, ขอถวายกุศลแต่คุณแม่ชีนุชก่อให้ท่านหายจาก โ, นะโรคพุษสุนัขโอตรเลยนะออได้ที่โลกพิษสุนักบ้างแก่แล้วมันหูหาเรื่องแบบนี้แหละ ว่าสิบหกคนแก่ภูมิต้านทานมันตกรับเชื้อรับไรแล้วิง่นี่หลวงพ่อต่อรองกับหมอมาได้นะหมอจะไม่ให้เทศก็ต่อรองบอกว่านั่งห่างๆทีแรก น, น, นั่งอยู่ตรงน้นห่างหน่อยหลอกหมอไว้ก่อนให้หมอตายใจ พอหมอเปิดว่าค่อยเลื่อนขึ้นมานแต่พวกเราดูตัวเองเลยนะใครเป็นหวัดเป็นอะไรที่โรคติดต่ออย่าเพิ่งเข้ามาในศาลาปีหน้าด้วยนะปีหน้าเพราะเม็ดเลือดขาวของหลวงพ่อยังไม่ขึ้นเม็ดเลือดขาวที่จะจับเชื้อโรคได้มีอยู่สักสี่ห้าร้อยคนปกติสองพัน 2, ขึ้น <c oughs> อยู่ไหนเบอร์สิบหกครับนะนำมาส ก, การหล<อ> <พอ S 2> วงพ่อเจ้าค่ะ หนูไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณน่าจะร่วมปีแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วตอนส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตมันเริ่มมีความสลดสังเวชซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังไม่เห็นก็เลยกลับไปดูดูไปดูมาไม่ทราบว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะะแต่คิดว่าหลายเดือนแล้วก็ดูมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อตอนเช้าตอนฟังธรรมช่วงเช้าเนี่ยตอนที่จิตวางอารมณ์ไปอารมณ์หนึ่ ง, งคะ่ะมันยังมี ขึ้นมามันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นก็แสดงว่ายังมีอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะมีตัวอะไรความสลดสังเวชนะคะตอนที่ผิดหวังอารมณ์ไม่เป็นไรนะมันก็แค่อารมณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นะก็เห็นก็เห็นหนึ่งนั้นเห็นแล้วมันก็หายไปมันก็เกิดดับมันก็คืออารมณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นคือเราไม่ต้องหวังว่าจะหายไปก็คือเหมือนอารมณ์ไม่ต้องหรอมันสลดสังเวชอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นพอปัญญาแก่กลาดขึ้นมามันเป็นอเบกขา หนูเข้าใจผิดหรือเปล่าคะว่าแสดงว่าหนูเข้าใจผิดคะ่ะเพราะาหนูคิดว่าตัวนี้จะต้องหายไปด้วยถึงจะเป็นสังขารุปเปศขายานอะไรอย่างเนี้ยค่ะสังขารุปเปศขายานเองก็เกิดดับก็เกิดดับไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นบางคนได้สังขารุปเปศขายานแล้วก็เสื่อมลงมาเป็นเรื่องปฏติแล้วมันคือสภาวะยังไงคะหนูมไม่ทราบว่าจิตหนูได้เห็นตรงนั้นหรือยังนะคะจิตดีนะจิตนาีเยอะๆเลย ฝึกไปอีค่ะคือณนะจุดนี้คือไม่ทราบว่ามันจะต้องอยังไงเพราะว่าจิตเขาภาวนาเองแล้วก็เลยไม่ทราบว่าจิตไปถูกหรือเปล่าถูก ถ, ถูกเป๊เลยเราไม่ได้ทําด้วยโลภนะใช่ค่ะตัวที่มันจะพุชเนี่ยมันไม่ออกแล้วใช่รู้เฉยแล้วค่ะรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยค่ะแล้วก็เวลาทําในรูปแบบเนี่ยก็เห็นจิตจะดูตรงความความมีตัวตน ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นเงาดํามืดล่าสุดเนี้ยเห็นแบบเล็กเล็กเล็กแบบพอเห็นแล้วก็มีการฟอร์มรูปร่างเป็นเป็นตาที่หันมามองเราแบบสยะยิ้มอืมแสดงว่ามันเล็กแต่มันสตรองมากจังหวะนเก่ากลัวตัวนี้มันเก่งนาะฟอร์มตาสายตาแบบนี้น่ากลัวมากจังหวะตอนตลวงพ่าภาวนานะหัดให อยู่ช่วงนึงไอ้ตัวเนี้ยมันถอดออกมาอยู่ข้างนอกเลยนะมันตัวเล็กมันสร้างรูปออกมาเหมือนตัวเองนะแต่ตัวเล็กน่อยเป็นเด็กๆหน่อยแล้วมันก็เดินออกไปพอเดินห่างๆไปมันหันมามองแล้วมันค้อนด้วยรู้สึกไหมมันค้อนได้มันสายตานี้บอกไม่ถูกค่ะสายตามันกว่านังนางอิจฉาในช่องเจ็ดค่ะพ่อหนูไม่เคยเห็นเจ้ตัวและแหละดี เสร็จแล้วมันเลยเดินหนีไปเลยมันไม่กลับมามันหายไปใช่มันหายไปกลัวไม่กลัว <c oughs> พานาดีค่ะห้องพ่อคะเราเร า, เราทําต่อไปนะคะคือหนูไม่ได้ทําค่ะอยู่อย่างนี้แหละ ท, ที่ฝึกอยู่ตัวนี้ใช้ได้แล้วนะดีแล้ว <c oughs> มันรอเวลาที่มันจะผ่านไปเท่านั้นเองครูบาอจารย์เนีจยบอกว่าเหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกงอม ถ้าเรารีบจะให้สุกเร็วๆเราไปเก็บมาบ่มไม่อร่อยเป็นอย่างนี้ฝึกต่อไปสิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมมีอะไรไหมเจ้าคะหลวงพ่อรู้ปัจจุบันไปะรู้ทันกิเลสไปให้ตัวแสบมันวิ่งหนีไปแล้วแสบแล้วอย่างงี้ยเห็นไหมมันไม่ใช่ไปเฉยๆนะมันจะย้อนมามองแล้วก็ค้อนด้วยอย่างเงี้ยโอ้สายตามันหนึ่งเนี้ยนะแบบอืมแกไม่เอาฉันแล้ว ฉันก็ไม่เอาแกเหมือนกันใช่เขาบอกว่าถูกเลยนะถูกเลยคะหนูคิดว่าหนูหนูจะไม่ได้มั่วเอานี่ว่ะหนูคิดว่ามันมันมัโนหรือเปล่าหรืออะไรหรือเล่าวันนี้หนูหนูแน่ใจแล้วว่าเห็นจริงสอนด้วยความองอาจกล้าหาญเลยจ้าหลวงพ่อค่ะในโอกาสที่วันนี้ลูกสาวมาด้วยแต่เขาไม่ดูตัวนะลูกสาวทอแท้ใจไม่อยากสวมันส่ เราได้เข้ามาอยู่ในทางนะคะเจ้าค่ะลูกสาวก็ดีอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไระใช้ได้ค่ะฝึกตามแม่ไปนะในโลกไ ม, ไม่มีอะไรดีเท่าไหร่หรอกยิ่งอย่างสัวรามีฟงมีแฟนอะไรนะไม่มีประโยชน์หรอกผู้ชายไทยเนี่ยอย่าเอาจําไว้ <c oughs> ผู้ชายไทยนิสัยไม่ค่อยจะดีหรอก <c oughs> ผู้หญิงลําบากเอาผู้ชาย เงั้นเราอยู่ของเราภาวนาของเรานะชีวิตเราสมบูรณ์มากกว่าใครฝึกของเรานะจิต ด, ดีนะจิตหนูมีบุญนะมันมีบุญบารมีมันไปไม่ยากหรอกไปได้ไม่ยากครกับบางคนยากบางคนมันไม่มีต้นทุนเท่าไหร่เหมือนจะค้าขายแต่ไม่มีทุนนะของเรามีทุนหนึ่งแล้วนะแม่เราก็ภาวนาดีนะ จนเห็นอีตัวนางผู้ร้ายมันเดินออกไปแล้วผู้ชายก็เป็นเหมือนกันเลยไอตัวเนี้ยเหมือนกันเลยเดินหนีออกไปแล้วต้องค้อนทีหนึ่งแล้วก็ถึงยะสลายตัวไปหลวงพ่อเคยสังเกตดูมันหายไปไหนมันสลายตัวรวมเข้ากับมันมันคือมันในใจเรานี่เองสลายตัวไปเพราะว่ามันทนสติปัญญาแผดเผาไม่ได้ เพินได้ชวนสมัครพรพวกมาใหม่ใช่ไหมคะไม่ม า, มาไม่มาอีกแล้วเหรอเออไม่มาแล้วมันบอกไปบอกกันเรียบร้อยแล้วเ่อนอีนางคนเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันตายเปล่าเพราะเราเห็นแล้วไม่เช่ า, าโสดแล้มันเนี่ยตัวคนรู้ทันเพราะฉะนางที่มันแอบเข้ามาอยู่ในท้องธโมคลานะธโมคลากรถักไอ้มานชื่อนี้ชื่อนี้ลูกมานตัวนี้นอะไเนี่ยเรารู้จักนะ <c oughs> รู้จักนะั่เป็นหลานเราด้วยซ้ํำไปเราก็เคยเป็นมารมาร น, นะปวยเขินเนี่ยถูกเขารู้ทันว่าเป็นมารห น, นีไปเลยไม่ใหม่แล้วนะเพราะฉั้นมารมันจะกลัวคนรู้ทันเนี่ยเรารู้ทันมันแล้วนะมันงอนตุกบ่องตุกปอ่กปองไปมันไม่ได้หนีเฉยๆนะมันงอนไปนะอืมสาธุเจ้าค่ะพอ ม, มันออกห่างไปมันก็ลสลายตัวค้อนทีหนึ่งแล้วมันก็เดินไปอีกนิดนึงแล้วก็สลายตัวไปนะรวมเข้ากับมาร วุ้ยสนุกภาวนาก็ะนะเรื่องสนุกมีเยอะ <Okay. S 2> แต่ว่าหลวงพ่อเนี่อาภาพอย่างเลยเราเล่าอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้นะคนมันจับผิดนะทีพระอื่นแนละ้วท่านจะเล่าบ้าบอคอแตกอะไรเนะี่ยไม่มีใครว่าเลยนะ <c oughs> หนูก็ไม่ค่อยกล้าเล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อนหนูรวมรวมพลังทั้งนานค่ะถือโอกาสวันนี้ลูกสาวมาเลยอยากให้เขาฟังก็เลยกล้าเล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะหาว่าเธอเจอค่ะ ไม่เพอ้อหรอกตัวนั้นนะมีคนเห็นตัวนี้เยอะหลายคนลแล้วแพทเ p ิ s เดียวกันเลยเหมือนกันหมดเลยออกไปแล้วก็ตัวเล็กๆหน่อยไม่ตัวเท่าเรานะเล็กกว่าเรามันถึงหนีถ้ามันยังใหญ่กว่าเรามันเท่าเรามันไม่หนีหรอกนะแต่ น, นี้ไม่ใช่พูดแบบธรรมกายนะไม่ใช่ตัวอย่างเป็นตัวหมดนะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกเบอร์เจ็เบอร์เจ็ ธรรมกายไม่ใช่าศาสนาพุทธนะว่าเจ็ดอยู่ไหนตายตัวกันบ้านได้สองคนเองหมดเวลาแล้วครับขออนุญาตส่งกันบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อให้ไปดูขันมันทำงานเองอก็ช่วงหลังๆที่ผ่านมาคือบางครั้งไม่ได้ตั้งใจมันคลๆมันแยกของมันมาแต่เองเริ่เกือบจะลอย แล้วก็ผ่านไปสักช่วงหนึ่งมันมีความรู้สึกเหมือนมันคลาย อ, อผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันมันคลายแบบที่ในายตำลา ว, ว่าไว้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ทันเห็นเปื่อหน่ายใช่ใชอย่า ง, อางพอคลายแล้วเดี๋ยวก็จับใหม่มันไม่ได้วางเอาไปจริงเพียงแต่ว่าคลายนี่มันคลายจริง่คลายจริงเพราะว่าจิตเนี่ยพอจับอารมณ์นะสุดท้ายจิตก็ต้องตายอะก็ต้องปล่อยอปล่อยอารมณ์มันนั้นไปแล้วไปเอาอารมณ์มันใหม่ เป็นธรรมดาอะนี้จะขอญาตขอกันบ้างไปทําต่อครับไปทําต่อแล้วเนี่ยก็ดูอย่างที่เป็นนั่นแหละมีอะไรให้ดูดูนั่นแหละดูลงปัจจุบันไปเราค่อยรู้ทันกิเลสอย่างเช่นความโลภอยากจะรู้เร็วๆอยากได้เร็วๆอะไรเงี้ยรู้ทันเบอร์สี่เบอร์สี่เจรลอยแล้ว ใจลอยใจลอยใจลอยหมดเลยเห็นไหมเอาว่าไปครับผมมาครั้งแรกนะครับอก็ช่วงที่ผ่านมาที่ได้มีเวลาภาวนาเยอะนะครับเพราะว่าอช่วงว่างพอดีแล้วอก็ดูลมหายใจนะครับรแล้ ว, วาาาก็เมื่อวันหัสที่ผานมก็รู้สึกเอเหมือนเวลาธรรมดาปกติจะดูแค่ลมหายใจแต่วันนั้นพอนั่งส่วนมากจะเวลานั่งไปถึงประมาณชั่วโมงที่สองเนี่ยจะ ปวดขามากเลยทุกรอบแล้วก็เลยครั้งนั้นก็เลยลองพิจารณาที่ตัวปวดดูพรากกดเห็นเป็นเอเหมือนจุดวิ่งวิ่งตรงขา<อ>แล้วเอพอพอไปสักพักก็จะเห็นเป็นกายขึ้นมาเลยครับว่าเหมือนเออ่ทางทางกายนี้เป็นเหมือนเป็นท่อนๆอนหอนึ่งที่ตั้งอยู่แล้วก็ก็เห็นเป็นกายส่วนนึงแต่พอมาดูลมหายใจเหมือนลมหายใจก็เป็นเพราะเหมือนเราดูลมหายใจเราจะไม่เห็นกายแต่ว่า พอดูพอมองกายก็จะเห็นทางกายแต่ว่าจะไม่เห็นลมหายใจอืก็จะเห็นมีสองส่วนนี้ครับแ ล, แล้วก็รู้เชืจิตจิตมันรู้อารมณ์ได้ครา้งละอย่างเดียวนะถ้ามันเอาลมหายใจเป็นอารมณ์คือสิ่งถูกรู้แล้วมันก็ไม่เห็นอย่างอื่นถ้ามันทิ้งลมไปมันมาดู ก, กายเก็นะไม่เห็นลมหายใจก็ถูกแล้วน้วงยายหญิงครั บ, รบก็อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าต้องเออ่ทําต่อ อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับทำอย่างนี้เลยหายใจไปนะรู้สึกตัวไปถ้าอยากพัฒนาเร็วๆวกว่า น, นี้นะแทนที่ไปดูลมหายใจให้ไปดูร่างกายหายใจรู้มันทั้งตัวอย่างเงี้ยเห็นตัวนี้หายใจไปแล้วมันจะรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วก็พอหายใจไปหายใจไปแล้วถ้าจิตเกิดทํางานเด่นชัดขึ้นมาใช่จิตมนันหนีไปแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไปความห น, ะนีไปแล้วก็กลับมารู้ร่างกายหายใจต่อ เป็นพื้นฐานเรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งของสติรึกถึงร่างกายที่หายใจเนืองเนืองถ้าดูแต่ลมเนี่ยมันจะมันจะมีความเสี่ยงดูลมเนี่ยมันเสียงที่จะพลิกไปเป็นกระสินจนะกลายเป็นสมถะเฉยๆแ ต, แต่ของคุณยังดีว่าจิตมันมีปัญญามันดูลมช่วงหนึ่งพอมันมีแรงนะมันออกไปดูกายแทนะถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่มีปัญหา แต่ถ้าไปดูลมแล้วเหลือแต่ลมนะแต่ละทั้งลมหายเหลือแต่แสงดูแต่แสงหลงครนนี้ไปไกลแล้วเสียเวลาฉะนั้นเราดูลมหายใจจิตสงบพอสมควรแล้วมาดูกายเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่างนั้นใช้ได้นะดูแล้วก็พอใจมันเริ่มฟุ้งซ่านก็กลับไปรู้ลมอีกอยังใช้วิธีแบบนั้นก็ได้เหมือนกันกรรมฐ า, านเนะี่ยถ้าเราทําเป็นแล้วนะแบบไหนมันถูกทั้งนั้นเลย ถ้าทำไม่เป็นแบบไหนก็ผิดหมดเลยเบอร์สิบห้านอยู่ข้างหลั ง, งน้นนำมัสการครับหลวงพ่ อ, อมผมได้ส่งการบ้านมานานมากอะไรนะส่งการบ้านผมไม่ได้ส่งการบ้านมานานมากเหร อ, อนานเท่าไหร่แล้วล่ะเป็นสิบปีครับออนานจริงแต่ที่วันนี้มาส่งเพราะว่าการภาวนาผมมัน เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนยังไงมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับอ้าวก็ดีนี่แต่สังเกตรหรือเปล่ามันมีโทสะแทรกเรื่อยๆครับมันไม่พอใจมันหงุดหงิดอะไรเงีเยง้ยครับอาจจะไม่ได้ดั่ใจครับนั่นแหละให้ไปดูกิเลส ท, ที่แทรกเข้ามาปฏิบัติไปแล้วไม่ได้อย่างใจโทสะขึ้นให้รู้ทันโทสะครับในการปฏิบัติก็อคอยรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนี้เลยก็เห็นกิเลสมันมาเองไปเอง เกิดแล้วมันดับแค่นั้นก็ดีแล้วครับเพื่อสิบสองขอบคุณครับหลวงพ่ออยู่ไหนเอ่ยโนอ้อยู่ข้างหลังพี่ชัยจิตโมหะดูอไหมมันจะหลับแล้ว <laughs> กล่าวในมรสการค่ะหลวงพ่อเคยให้การบ้านล่าสุดว่าหนูต่อเป็นดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนะคะถูกแล้วไปทำอีกเค่ะเอาเบอร์ห้าเวลามีน้อยก็เปิดการบ้านแบบกระทัดรัดค่ะข้อในมรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอส่งการบ้านครั้งแรกค่ะคือโรคเนี่ย มีสภาวะที่รู้สึกว่ามันทวนหาธาตุรู้แล้วเป็นหนึ่งเดียวกับจั ก, กรวาล <No. S 2> เป็นธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางจั ก, กรวาล oh. แล้วก็รู้เด่นอยู่อย่างนั้น mm. ก็เลยไม่แน่ใจว่าสภาวะนี้เป็นสมถะหรือว่าวิปัสสนาเพราะว่าก่อนที่จะทาลูกแค่ดูความคิดดูจิตแล้วก็วางความรู้สึกของการยึดติดของความคิด ใ ห, ให้รู้ทันตัวนี้ตัวนี้เป็นวิปัสสนูไม่ใช่วิปัสนานะปัญญามันล้ำไปละวมันเห็นโลกว่างเปล่าเห็นไรต่อไรไปจั ก, กรวาลก็ไม่มีอะไรนะหลุเพิ่มสมาธิขึ้นเวลาเกิดวิปัสสนูปัญญาแก่กล้ามากมายอยันนี้ก็ทำสมาธิเพิ่มให้รู้ทันจิตที่กระจายออกไปนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกฝึกอย่างนี้นะ ประจิตมันย้อนกลับเข้ามาถึงฐานมันแล้วมันจะหายนะปัญญามันล้าไปตัวนี้ขอบพระคุณค่ะ เ, เชิญกลับบ้านพวกเขา้าขอโชิกลับที่พักนะเดี๋ยวช่วยโอ ก, กบบาส <c oughs> กลับบ้านเราคุณโชคกลับบ้านเปล่ เมื่อก่อนนานแล้วนะพอหลวงพ่อบอกกลับบ้านนะผู้หญิงเขาะหยิกสามีเลยเห็นไหมท่านบอกให้กลับบ้านเราด้วยแล้วเป็นเราเราก็ไปกลับวะพรุ่นี้ถ้าใครมานะตอนที่หลวงพ่อจะเทศก้าวโมช่วยปิดสัญญาณหน่อยนะถ้าปิดไม่เมนไม่เฟกช่วยใช้ไลายหมด